ทมที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ผู้ปฏิบัติควรจะเจริญอยู่เรื่อยๆควรจะเจริญให้มากๆก็คือสันเลขธรรมสิบประการด้วยกันคือข้อที่หนึ่งความมากน้อยสอง สันโดษยินดีตามมีตามเกิดสามความวิเวกสี่การไม่คลุกคลีกันห้าความเพียรหกศีลเจ็ดสมาธิ8 ป, ปัญญา 9. วิมุตติการหลุดพ้นและสิบวิมุตติยานาทัศนะการรู้ว่าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วนี่คือทำสิบประการด้วยกันที่ผู้ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากวัตตะแห่งการ เวียนว่าตายเกิดควรที่จะเจริญอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้ามีทำทั้งสิบประการนี้แล้วการหลุดพ้นจากวัตะสงสารย่อมเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนข้อที่หนึ่งความมากน้อยคือ ความไม่มากมากนั่นเองความไม่โลภอยากได้อะไรมากๆอยากได้พอประมาณพอกับความต้องการของร่างกายเท่านั้นเช่นปัจจัยสีอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรค ไม่ต้องการมากกว่าความจำเป็นต้องการพอให้ร่างกายนี้อยู่ไปได้วันวันหนึ่งไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ไม่พิกลพิการหรือไม่ตายไปเท่านั้นก็พอไม่ต้องการของหรูหราของฟุ่มเฟือยต่างๆต้องการ เพียงที่จะดูแลรักษาร่างกายให้เป็นให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อที่จะได้นำมาใช้ในการปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายความเล็กน้อยในอาหารเช่นสำหรับนักปฏิบัติ ก็มีตั้งแต่การไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วหรือการรับประทานอาหารเพียงวันละหนึ่งครั้งหรือถ้ายังมีปัญหาเกี่ยวกับความง่วงเหงาหานอนความเกลียดคก้านก็ถึงกับมีการผ่อนอาหาร ให้รับประทานไม่ให้อิ่มจนเกินไม่ให้ถึงกับอิ่มอย่างหลวงตาท่านเคยพูดไว้ว่ารับประทานสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซนก็พอแล้วพอให้อยู่ได้นี่คือความหมายของความมากน้อยเพราะถ้าทานแล้วไม่อิ่มนี่จะทำให้ไม่เกียดคร้านในการที่จะปฏิบัติ เดินจงกรมนั่งสมาธิจะทำให้ไม่ง่วงเหงาหงานอนความมักน้อยนี้จะเป็นธรรมที่ส่งเสริมในการปฏิบัติได้อย่างดีนักน้อยบางท่านถึงกับอดอาหารเป็นวันวันไปก็มีเพราะบางทีขนาดลดลงไปแล้วก็ยังมีความเกียดคร้านอยู่ ยังมีความง่วงเหงาหานอนอยู่ก็ต้องจาเป็นที่จะต้องอดอาหารไปเป็นวันๆไปอันนี้ก็เรื่องของการอดอาหารก็ต้องอยู่ที่จริตของผู้ปฏิบัติด้วยว่าเหมาะหรือไม่กับตนเองถ้าอดไปแล้วแทนที่จะทำให้ความเพีย เป็นไปได้ดีกับทําให้เป็นอุปสรรคก็อาจจะไม่เหมาะเช่นเกิดความฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของอาหารจนไม่มีกรจิตกระใจที่จะบําเพ็ญที่จะปฏิบัติอย่างนี้ก็อาจจะไม่เหมาะก็ไม่ควรที่จะใช้มาตรการของการอดอาหารเพื่อมาส่งเสริมความเพียร แต่ถ้าอดแล้วทำให้มีความขยันหมั่นเพียรในการเดินจงกรมนั่งสมาธิแทนที่จะหลับจะนอนกับไม่หลับไม่นอน<ม>เดินจงกรมนั่งสมาธิได้เป็นเวลาหลายหลายชั่วโมงมเวลานอนก็นอนไม่กี่ชั่วโมงสองสามชั่วโมงก็พอแล้วถ้าอย่างนี้การอดอาหารนี้ก็จะเป็น บายที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติเพราะจะทำให้การปฏิบัติเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วนี่คือประโยชน์ของการมีความมากน้อยในเรื่องของการรับประทานอาหารนอกจากการรับประทานอาหารแล้วก็มีเรื่องของเครื่องนุ่งห่ม เครื่องนุ่งห่มนี้ก็เอาพอประมาณพอไว้สวมใส่ก็พอแล้วแล้วก็ไม่ต้องหรูหราหรื อ, อวิจิตพิสดารเรียบง่ายทำประโยชน์ทำหน้าที่ของเครื่องนุ่งห่มได้ก็พอหน้าที่ของเครื่องนุ่งห่มก็มีไว้ปกป้องรักษาร่างกายนี้นั่นเองไม่ได้มี หน้าที่ที่จะมาเสริมความงามให้แก่ร่างกายเพราะร่างกายนี้ถ้ามองด้วยปัญญาแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่มีความสวยงามเลยมีแต่ความไม่น่าดูต่างๆเพียงแต่ว่ามองไม่เห็นเท่านั้นเองถูกผิวหนังปิดบังเอาไว้ ถ้าผิวหนังนี้ใสเหมือนถุงพลาสติกก็จะสามารถเห็นส่วนที่ไม่น่าดูคืออวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายได้ดังนั้นการนุ่งห่มเสื้อผ้านี้จึงไม่ได้มีเป้าหมายอยู่ในการเสริมความสวยความงามของร่างกายแต่เป็นการปกป้องรักษาร่างกายจากอ สิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นความหนาวเย็นหรือมแมงสัตว์กัดต่อยต่างๆนี่ก็คือเรื่องของความมากน้อยในเสื้อผ้าเอาเพียงสองสามชุดก็พอเช่นมีชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้สำรองเผื่อเวลาที่ชุดที่ซักแล้วยังไม่แห้ง แห้งไม่ทันก็มีชุดสำรองไว้สำหรับใส่ได้นี่คือเรื่องของความมากน้อยของเครื่องนุ่งหม่มความมากน้อยของที่อยู่อาศัยก็อยู่ที่ไหนที่พอหลบแดดหลบฝนได้เป็นห้องเล็กๆ เ, เป็นที่เนอหลับนอนได้ก็พอแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องเป็น บ้านใหญ่โตเข้าแลหัดมีหลายห้องหลายอะไรมีห้องหลากหลายต่างๆมีมากก็จะเป็นภาระต่อการดูแลรักษาแทนที่จะมีเวลามาบำเพ็ญมาปฏิบัติก็จะเสียเวลาไปกับการดูแลรักษาบ้านเก็บกวาดเช็ดถู<ม>ถ้ามีห้องเล็กๆอยู่ห้องเดียว จะเช็ดจะถูจะกวาดก็แป๊บเดียวไม่ต้องเสียเวลามากจะได้มีเวลามาบำเพ็ญมาปฏิบัติทำได้อย่างเต็มที่นี่ก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยสำหรับพระภิกษุนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้อยู่ตามโคนไม้ถ้าไม่มีกุติอยู่ก็ไม่ต้องไปเดือดร้อน ไปอยู่ตามโคนไม้หรือไปอยู่ตามเรือนร่างหรือไปอยู่ตามเงื่อนผาตามถำ้ำอันนี้เป็นการจะทำให้การอยู่นี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมนั่นเองส่วนยารักษาโรคก็รักษาไปตามมีตามเกิด มีอะไรรับประทานได้ก็รับประทานไปรักษาไปยาที่นักปฏิบัติมักจะนิยมใช้กันมากที่สุดนั้นไม่ใช่ยาที่ทางโลกเขาใช้กันแต่เป็นธรรมโอสรรักษาด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าคือการทำใจให้สงบปล่อยวางร่างกาย ปล่อยให้ร่างกายรักษาตนเองเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยท่านมักจะไม่ค่อยใช่ไม่ไม่ฉันหยากันท่านจะใช้การภาวนาทําใจให้สงบแล้วโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นภายในร่างกายมันก็จะรักษาของมันไปเองถ้ามันหายก็หายถ้าไม่หายก็อยู่กับมันไปถ้ามัน ตายก็ต้องยอมรับว่ามันถึงเวลาเกิดมาแล้วคนเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครไม่ตายต่อให้มีหมอวิเศษขนาดไหนมียาวิเศษขนาดไหนก็ตามก็ mm. จะไม่สามารถยุติความตายของร่างกายได้เมื่อถึงเวลาของมัน ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ค่อยกังวลกับเรื่องหยูกยากันเท่าไหร่ท่านจะมากังวลกับเรื่องของการรักษาใจเสียมากกว่าเพราะโรคของใจนี้มันร้ายแรงกว่าโรคของร่างกายความทุกข์ของโรคของทางใจนี้มันหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าความทุกข์ของโรคของทางร่างกายถ้ารักษา โรคของใจได้แล้วโรคของร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหาจะอยู่กับมันได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนแต่ถ้ารักษาโรคทางใจไม่ได้ถึงแม้ว่าจะรักษาโรคทางร่างกายให้หายไปได้แล้วก็ต่างความทุกข์ความทรมานใจก็ยังมีอยู่ต่อไปนักปฏิบัติท่านจึงไม่ค่อยกังวลกับเรื่องหย่กยา กับการรักษาร่างกายมากจนเกินไปรักษากันแบบมากน้อยรักษาเท่าที่จะรักษาได้ถ้าอยู่ถ้าจะอยู่ถ้ามันจะอยู่ก็ให้มันอยู่ไปถ้ามันจะไม่อยู่ก็ต้องปล่อยมันไปถ้าปฏิบัติอย่างนี้ได้ใจก็จะได้ธรรมะได้การหลุดท้นนี่คือเรื่องของความมากน้อย ในปัจจัยสี่ของผู้ปฏิบัติข้อที่สองคือความสันโดษสันโดษแปลว่าความยินดีตามมีตามเกิดอย่าไปจู้จี้จุกจิกอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากมีอย่างนั้นอยากมีอย่างนี้ยินดีตามมีตามเกิดอาหารได้อะไรมา อย่างพระนี้ท่านก็ให้ไปบินทบาทบินทบาทแล้วก็ได้อะไรมาก็ให้ยินดีกับสิ่งที่ได้มาได้มากได้น้อยได้สิ่งที่ถูกอกถูกถูกใจหรือไม่ก็ตามให้ยินดีเพราะจะทำให้จิตใจไม่วุ่นวายจะทำให้จิตใจสงบ จะทำให้ไม่มีอุปสรรคต่อการปฏิบัติถ้ามีความจู้ที่จุกจิกนีจะจะวุ่นวายจะลำบากจะมีปัญหาต่างๆที่จะมาคอยเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัตินี่คือเรื่องของความสันโดดขอให้ยินดีตามมีตามเกิด ของปัจจัยสี่และของสภาพของชีวิตของตัวเองพอเราทุกคนนั้นได้ทำบุญทำบาป ก, กันมาในอดีตกันแล้จะต้องเป็นผู้รับผลของบุญและบาปที่ได้ทำไว้ชีวิตจริงมักจะมีขึ้นบ้างมีลงบ้างมีสูงบ้างมีต่ำบ้างมีดีบ้างมีไม่ดีบ้างเป็นธรรมดา ถ้ามีสันโดษแล้วจะไม่เดือดร้อนกับวิบา ก, กรรมของตนจะดีก็ไม่ยินดีจะร้ายก็ไม่เสียใจพอใจที่จะรับกับสภาพที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะบำเพ็ญตรงไหนจะไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอุปสรรคอยู่ที่ไหนก็ บำเพ็ญได้ปฏิบัติได้เพราะไม่ได้จู้ที่จุกจิกเลือกสถานที่บางท่านนี้กว่าจะหาที่ปฏิบัติได้นี่ต้องเลือกกันอยู่หลายแห่งหลายหนด้วยกันไปตรงนั้นก็ดีอย่างเสียอย่างไปตรงนี้ก็ดีอย่างเสียอย่างไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนไม่มีที่ไหนที่จะดีไปทุกอย่าง มันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างปัญหามันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ปัญหาอยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติเองถ้าไม่จู้ที่จุกจิกจนเกินไปเกินเหตุเกินผลแล้วก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ถ้าจะมีความจำเป็นก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกก็ขอให้เป็น ไปด้วยเหตุด้วยผลอย่าให้เป็นไปด้วยความชอบหรือไม่ชอบความอยากต่างๆเพราะว่ามันไม่มีขอบไม่มีเขตแต่ถ้าเป็นเหตุเป็นผลนี่มันยังพอที่จะมีขอบมีเขตถ้ามีสันโดษแล้วก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่กับสิ่งต่างๆ กับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตนเองพอใจพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ยินดีกับสิ่งที่ได้รับนี่คือลักษณะของความสันโดษจะทำให้การปฏิบัตินี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคข้อที่สาม คือการปลีกวิเวกผู้ที่จะบําเพ็ญปฏิบัติจิตตภาวนาเพื่อทําใจให้สงบจําเป็นจะต้องมีสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกเพราะกายวิเวกจะทําให้จิตวิเวกนั่นเองอความวิเวกของกายคือความวิเวกของสถานที่ที่ร่างกายไปอยู่อาศัยจะทําให้จิตสงบ จิตวิเวกขึ้นมาถ้าอยู่ในที่ไม่สงบไม่วิเวกการจะทำให้จิตวิเวกก็จะเป็นไปได้ยากเช่นถ้าไปอยู่ท่ามกลางแสงสีเสียงต่างๆเช่นอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองการที่จะบำเพ็ญสมถ ภ, ภาวนาทำใจให้สงบนี้จะเป็นได้ยากมากนอกจากผู้ที่ มีกำลังของสติที่แก่กล้าแล้วถึงจะสามารถที่จะบําเพ็ญได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถ า, านที่ใดแต่สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกหัดใหม่ๆผู้ที่ยังไม่มีสติกำลังที่แก่กล้าพอที่จะสามารถควบคุมจิตใจไม่ให้ <c oughs> ไหลไปตามอิทธิพลของแสงสีเสียงต่างๆ จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ในสถานที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นรสผลภทพะ ต, ต่างๆเพราะจะได้ไม่มาสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นกับใจนั่นเองใจของผู้ที่ยังมีการมฉันทะนี้เวลาได้สัมผัสรับรู้กับรู ป, รปเสียงกลิ่นรสผลภทพะนี้จะเกิดความ อยากขึ้นมาทันทีจะเกิดความกงวลกวา ย, ยินความกระสับกระสายดิ้นรนทะเยอทะยานขึ้นมาทันทีจะทำให้การควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบนั้นเป็นไปได้อย่างยากมากแต่ถ้าได้ไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเวลาจเจริญสติ เพื่อควบคุมจิตให้เข้าสู่ความสงบจะเป็นไปได้อย่างง่ายดายนะการปลิกวิเวกจึงเป็นสิ่งที่ควรจะเจริญให้มากสําหรับผู้ที่ปรารถนาะความหลุดพ้นจากความทุกขนะ์ผู้ที่มีความปรารถนาะที่จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆจําเป็นจะต้องไปปลิกวิเวกกันแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงต้องไปปลิกวิเวก งต้องเสด็จออกจากพระราชวังแล้วไปอยู่ตามป่าตามเขาตามลำพังเพื่อที่จะได้เจริญจิตตะภาวนาเพื่อให้เกิดวิมุตติความหลุดพ้นขึ้นมานั่นเองนี่ก็คือเรื่องของการปริกวิเวกซึ่งเป็นข้อที่สามข้อที่สี่ก็คือการ ไม่คลุกคลีกันปกติผู้ปฏิบัติมักจะต้องอยู่ร่วมกันเพราะจะต้องศึกษาจากครูบาอาจารย์จึงจำเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกันขณะที่อยู่ร่วมกันนี้ท่านก็บอกว่าสอนว่าอย่าคลุกคลีกันถ้าจะมาคลุกคลีหรือมารวมกันก็ต้องมีเหตุมีผลเช่นเวลามาฟังเทศฟังธรรม อย่างที่เรากำลังทำกันอยู่ตอนนี้หรือว่าเวลาที่ต้องทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการขบฉันอาหารหรือการมาช่วยการทำความสะอาดของบริเวณที่พักอันนี้ก็ทำมาก็ทำไปแต่ทำด้วยการมีสติคือถึงแม้ว่าจะมาร่วมกันทาภารกิจ ต่างฝ่ายต่างจะไม่สนทนากันไม่คุยกันต่างฝ่ายต่างใช้สติอยู่กับการงานที่กำลังทำอยู่เจริญสติควบคู่กับการไปกับการงานที่กำลังทำอยู่ใจจดจ่ออยู่กับการเพียงอย่างเดียวไม่สนทนากันแล้วก็ทำงานควบคู่กันไปเพราะนี่จะเป็นลักษณะของการไม่มีสติ ของการเผลสตนะิผู้ที่ต้องการจะเจริญสติเพื่อทําใจให้สงบเมื่อถึงเวลาที่จะต้องออกมาทํากิจกรรมร่วมกันก็จะมีสติจดจอ่ออยู่กับการงานเพียงอย่างเดียวนะจะไม่สนใจกับบุคคลที่ออกมาร่วมทํากิจกรรมนะถ้าในทางโลกก็เหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างไม่ ให้ความสำคัญต่อการไม่แยแสกันเหมือนกับว่าโกรธกันรืเกลียดกันอย่างในสมัยพระพุทธการก็มีเหตุการณ์อย่างนี้มีชาวบ้านเห็นพระเนนออกมาทำภารกิจแต่ต่างฝ่ายต่างทากันโดยที่ไม่ได้พูดจาไม่ได้คุยกันชาวบ้านก็คิดว่าพระเนนไม่ชอบขีนากันเกลียดกันโกรธกันหรืออย่างไร จึงไม่มีการสนทนาปลาสายทักทายกันเลยต่างคนก็ต่างทาหน้าที่ของตนไปอันนี้ก็คือลักษณะของผู้ที่ไม่คุกครีกันเวลาต้องจําเป็นที่จะต้องมาทำกิจกรรมร่วมกันก็ทาโดยการที่ไม่มีการสนทนาปลาสายกันต่างฝ่ายต่างทาหน้าที่ของตน ถ้าจำเป็นจะต้องพูดก็พูดเกี่ยวกับงานที่กำลังทำอยู่เท่านั้นแต่จะไม่นั่งไม่มานั่งสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติจะเพิงกระทำกันเพราะถ้าได้ปล่อยให้พูดได้คุยกันแล้วเดี๋ยวจิตก็จะพ้งสร้างขึ้นมาได้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาได้ต้องควบคุม คามสนทนากันเพราะการสนทนากันนี้จะทําให้จิตนั้นต้องคิดปรุงแต่งนั่นเองเมื่อคิดปรุงแต่งจิตก็จะไม่สงบจิตก็จะพรุ่งร้างท่านจึงไม่นิยมให้คุกคีกันไม่ให้ไปหาไปไปไปสังคมกันไปนั่งทําอะไรแล้วก็คุยกันนั่งรับประทานสิ่งนั้นสิ่ง น, นี้แล้วก็นั่งคุยกันไป เวลาที่มาขบมาฉันมาดื่มน้ําปานะท่านก็ไม่ให้คุยกันให้รีบฉันให้รีบดื่มเสร็จแล้วก็ให้แยกกันไปหลวงตานี่ท่านต้องคอยมาเดินตรวจที่โรงน้ําปานะอยู่เรื่อยๆท่านจะมาสองสามรอบด้วยกันรอบแรกถ้าเห็นเราท่านก็จะไม่พูดอะไรถ้ารอบที่สองท่านกลับมายังเห็นเรานั่งอยู่นี้ท่านก็จะเริ่มอ่า ปารบขึ้นมาแล้วว่าทำไมถึงยังไม่กลับกันทำไมถึงยังต้องนั่งอยู่ตรงนี้ยังรับประทานยังดื่มกันไม่เสร็จหรืออย่างไรทำไมไม่ไปเข้าทางจงกรมกันไปเดินไปภาวนากันท่านก็จะปารบขึ้นมาถ้ากลับมาเห็นรอบที่สามนี้ท่านก็จะไล่เลยแสดงว่าผูหนวกหรื อ, อย่างไร หรือเป็นแบบอกระเบื้องตาช้างเากระเบื้องตาสามห่วงหรืออย่างไรไม่มีความรับรู้ในการว่าก่าวตักเตือนของครูบาอาจารย์เลยนี่คือเรื่องของการไม่คุกมครีกันการคุ้มครีกันไม่เกิดประโยชน์ในการบําเพ็ญจิตตภาวนาการบําเพ็ญจิตตภาวนาเนี่ต้อง บำเเทนตามลำพังข้อที่ห้าก็คือเรื่องของการความภาคเพลี่ยนนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องเจริญให้มากคือวิริย ะ, ะความภาคเพียนพยายามปฏิบัติตลอดเวลายกเว้นเวลาที่หลับเท่านั้น สิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลายกเว้นขณะที่หลับก็คือการเจริญสติเราสามารถเจริญสติได้ในทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าร่างกายจะทำอะไรเราสามารถเจริญสติได้ถ้าใจของเราจดจ่อยอยู่กับการกระทาของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ปล่อยให้ใจไปอยู่ที่อื่น ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปอยู่ในอดีตรหรือไปอยู่ในอนาคตให้ดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันนธรรมนี่แหละเป็นธรรมที่ที่ทำให้เกิดธรรมต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสติสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะนี้ จะเกิดขึ้นก็เกิดในปัจจุบันไม่เกิดในอดีตไม่เกิดในอนาคตถ้าจิตส่งไปอดีตหรือส่งไปอนาคตจะไม่ได้ทำที่ต้องการอย่างพระอน์นี้ตอนที่ท่านบําเพ็ญหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จแบับขันธ์กลานิพพานไปแล้วก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงจากไป พระ อ, องคทรงตลอบใจพระอานนที่มีความเศร้าโศกเสียใจที่จะที่ได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าจะจะจากไปพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกว่าอานนทหลังจากที่เราจากเธอไปแล้วภายในสามเดือนเธอก็จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เธอจะได้หลุดพ้นจาก การเกิดแก่เจ็บตายอย่างแน่นอนอคาํคาคาพยากรณ์ของพระพุทธเจ้านี้จึงฝังอยู่ในใจของพระอนตน์มาตลอดทำให้มีความมีกําลังใจที่จะบำเพ็ญพอหลังจากพระพุทธเจ้าจากไปแล้วพระอานตน์ก็ไปปรีกวิเวไปบำเพ็ญอยู่ตามลำพังจนถึงคืนสุดท้าย การบำเพ็ญก็ยังไม่ได้บรรลุผลจนทำให้กับผ้าอ น, นุนี้เริ่มเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาว่าคาพยากร์ของพระพุทธเจ้านั้นคงจะไม่ศักศดิ์สิทธิ์เสียแล้วเพราะว่าได้บำเพ็ญมาตลอดเวลานี่ก็เกือบจะครบสามเดือนแล้วพอสว่างนี้ก็จะครบสามเดือนแล้วแต่ยังไปไม่ถึงไหน ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่แสดงว่าจิตของพระนนท์กำลังไปอยู่ในอดีตไปอยู่ในอนาคตอดีตก็คือคําพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าอนาคตก็คือเวลาที่จะครบสามเดือนนี้จิตก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่ระหว่างอดีตกับอนาคตไม่ได้ตั้งอยู่ในปัจจุบันจิตก็เลยไม่บรรลุผลขึ้นมา แต่พอใกล้จะสว่างพระนอนุณก็เลยตรงว่าคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าครั้งนี้คงไม่ศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนตอนเองนี้จะไม่มีทางที่จะได้บรรลุอย่างแน่นอนเพราะมันใกล้จะสว่างแล้วพยายามเดินโยงกลมนั่งสมาธิอย่างไรมันก็ไม่บรรลุเสียทีก็เลยหยุดตรงคิดว่า ชาตินี้คงจะไม่ได้บรรลุแล้วก็เลยเตรียมตัวที่จะนอนในขณะที่จะนอนนั้นเน่ยระหว่างท่านั่งกับท่านอนจิตก็ปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางอาดีตปล่อยวางอนาคตกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันพอกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันปั๊บจิตที่พร้อมจะหลุดมันก็หลุดทันทีเลยหลุดตรงนั้นเลยหลุดในปัจจุบัน นี่คือเรื่องของการเจริญสติควบคุมจิตใจให้อยู่ในปัจจุบันอย่าปล่อยให้จิตคิดไปในอดีตคิดไปในอนาคตคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ไม่ว่ามันจะเป็นปัญญาหรือไม่เป็นปัญญาก็ตามถ้ามันเป็นปัญญามันจะต้องอยู่ในปัจจุบันมันจะต้องสงบถ้ามันไม่สงบแสดงว่ามันไม่ใช่เป็นปัญญา ยังถ้าคิดแล้วมันไม่สงบอย่าไปคิดมันดีกว่าใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธไปดูลมหายใจเข้าออกไปจะดีกว่าการทําใจให้สงบนี้เราต้องการหยุดความคิดไม่ใช่คิดนยกเว้นในกรณีที่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิถ้าปัญญาอบรมสมาธิมันก็ต้องสงบถ้ามันคิดแล้วฟุง้งซ่านอย่างนี้มันไม่เรียกว่าเป็นปัญญาอบรมสมาธิ แต่เป็นสังขารอบรมความพุ่งร้านในานามของปัญญาอบรมสมาธินี่คือกิเลสที่มันจะแฝงแอบอ้างปัญญาอบรมสมาธิมาหลอกให้สังขารคิดปรุงแต่งจนพุ่งร้านขึ้นมาแล้วก็มาแล้วก็มาบ่นว่าปัญญาอบรมสมาธิไม่ได้ผล ก็เพราะว่ามันไม่ได้เป็นปัญญานั่นเองมันเป็นสังขารความคิดปรุงแต่งปัญญานี่ก็เป็นสังขารความคิดปรุงแต่งแต่มันปรุงแต่งมาในทางที่จะทำให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างทำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้แต่ถ้าปรุงแต่งแล้วกลับไปเกิดความผูกพันเกิดความยึดติดอยู่อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นปัญญา ปัญญาพิจารณาเพื่อให้ตัดให้ปล่อยให้วางเพราะว่าถ้าถ้าปล่อยได้ตัดได้วางได้จิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ดังนั้นผู้ที่บำเพ็ญปัญญาอบรมสมาธิจะต้องรู้ว่ากําลังพิจารณาเพื่อตัดเพื่อปล่อยเพื่อวางหรือไม่ถ้าพิจารณาแล้วตัดไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ก็อย่าไปพิจารณา กลับมาใช้อุบายของสมาธิดีกว่ากลับมาใช้อุบายของสติดีกว่าคือการบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไปอย่าปล่อยให้ใจไปอดีตไปอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้ไปรู้อยู่กับคำบริกรรมไปหรือรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกไปจะดีกว่า วิธีนี้แน่นอนกว่าวิธีนี้จะทำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ในที่สุดนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญความเพียรตลอดเวลาที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถจเจริญได้ตลอดเวลาก็คือการจเจริญสติไม่ว่าจะนั่งสมาธิก็ดีเดินจงกรมก็ดีหรือทำภารกิจต่างๆก็ดี สามารถเจริญสติได้ตลอดเวลาเวลาทำภารกิจก็ให้จิตอยู่กับภารกิจจดจ่ออยู่กับภารกิจที่กำลังทำอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรแม้กการรับประทานอาหารก็ให้มีสติจดจ่ออยู่กับการรับประทานอาหารนับตั้งแต่ตากอาหารเข้าปากเคี้ยวกลืนเข้าไปให้รู้อยู่อยู่กับการกระทาเหล่านี้ไป ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆแล้วใจก็จะมีสติที่จะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันพอเวลาไม่มีภารกิจที่จะต้องทำเวลามานั่งเฉยๆนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องไม่แวบไปที่อื่นเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ อย่างง่ายดายและรวดเร็วการเจริญสติจึงเป็นธรรมที่สำคัญอย่างมากเพราะว่าถ้าไม่มีสติแล้วทมอื่นๆนี้จะตามมาไม่ได้สตินี้พระพุทธเจ้า จ, จึงทรงบอกว่าเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สำคัญที่สุดทรงเปรียบเทียบสติเป็นเหมือนขอเหมือนรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างนี้เป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดในในป่าครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดได้หมดคือความใหญ่ขนาดของรอยเท้าช้างนี้ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดทำคือสตินี้ก็เช่นเดียวกันมีความสําคัญกว่าทำทั้งหมดเพราะถ้าไม่มีสติแล้วทำต่างๆจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลย เช่นคนที่ไม่มีสตินี้จะไม่สามารถปฏิบัติทําได้คนที่ไม่มีสติคืออะไรคือคนนอนหลับคนเมาสุราคนบ้าคนตายคนเหล่านี้จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติทําได้เลยไม่สามารถเจริญความมากน้อยสัมโดไม่สามารถไปเปกวิเวก ไม่สามารถไม่คลุกคลีกันได้ไม่สามารถบําเพ็ญความเพียรได้เพราะไม่มีสตินั่นเองพระพุทธเจ้าจึงสงสอนให้ผู้ปฏิบัตินี้มันจเจริญสติอยู่ตลอดเวลาสร้างสติขึ้นมาก่อนต้องมีสติไม่ฉะนั้นเวลานั่งสมาธิใจจะไม่สงบนั่งสมาธิแล้วก็จะพุ้งไปไปอดีตไปอนาคต ไปเรื่องนั้นไปเรื่องนี้แล้วก็นั่งดูนาฬิกาว่านั่งมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงนั่งแล้วไม่เห็นได้อะไรก็เพราะว่ามันไม่มีสตินั่นเองถ้ามีสตินั่งห้านาทีสิบนาทีก็ได้ผลแล้วถ้าใจจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวได้อย่างต่อเนื่องห้านาทีสิบนาทีนี้มันจะเข้าสู่ความสงบได้อย่างแน่นอนการที่จะเข้าสู่ความสงบได้ก็ต้องมีสติ ที่สามารถควบคุมใจให้จดจอ่ออยู่กับอารมณ์ที่จะใช้ในการทำให้ใจสงบนั่นเองให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเพียงอย่างเดียวหรือให้อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกไปเพียงอย่างเดียวทับรองได้ว่าใจจะเข้าสู่ความสงบได้จะได้สมาธิได้อุเบกขาขึ้นมา พอได้สมาธิได้อุเบกขาก็จะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงจะทําให้สามารถปล่อยวางความสุขชนิดอื่นได้หมดนความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะไม่มีความหมายสําหรับใจของผู้ที่ได้ความสงบพอได้ความสงบแล้วเวลาออกจากความสงบแล้วเกิดตัณหาความอยาก ที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายปัญญาก็จะมาสอนใจว่าอย่าไปทางนั้นเพราะการไปทางของกามตตาหาเป็นการไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่ไปสู่ความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขเบื้องต้นแต่จะเป็นความทุกข์ที่จะตามมาในบั้นปลายเวลาที่ความสุขนั้นหายไป ความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่พอ ป, ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทำตามตัณหาความอยากใจที่มีความสงบมีความสุขอยู่ในตัวก็จะสามารถฝืนความอยากได้ไม่กระทาตามความอยากได้พอไม่กระทาตามความอยากความอยากนั้นก็จะหมดอิทธิพลต่อจิตใจไปเหตุที่ความอยากยังมีอิทธิพลต่อใจก็เพราะว่า ใจไม่มีความสุขในตนเองแล้วไม่มีปัญญาคอยสอนคอยเตือนใจว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการเดินไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่เดินไปสู่ความสุขเพราะความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากนี้เป็นความสุขชั่วคราวนั่นเองได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเวลาหมดไปก็จะเกิดความทุกข์ตามมา แต่ถ้าใจมีความสงบมีความสุขแล้วพอมีปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากเพราะความสุขที่ได้เป็นความสุขชั่วคราวใจก็จะไม่ทำตามไม่เดือดร้อนอิทธิพลของความอยากจะไม่มีกำลังที่จะดึงให้ใจดึงใจให้ไปทำตามความอยากได้แต่ถ้าใจไม่มีความสงบไม่มีความสุขอยู่ในตัวนี้ พอตันหาความอยากสั่งให้ไปปับ๊บจะต้องกระโดดไปทันทีพอสั่งให้ไปเที่ยวปั๊บนี่จะออกทันทีสั่งให้ไปดูไปดื่มไปรับประทานอะไรนี่จะทำได้อย่างทันทีเลยเพราะว่าไม่มีความสุขในตัวเองต้องหาความสุขจากการไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราว เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเวลาที่ไม่สามารถดูหรือฟังหรือดื่มหรือรับประทานได้ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเวลาไม่มีเงินไม่มีทองไปเที่ยวนี้ ก, ก็จะไม่สามารถไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานได้หรือเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายแก่หรือเวลาที่ร่างกายจะตายไป เวลานั้นก็จะไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจบูกเลิ้นกายได้อีกต่อไปเวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจถ้าเห็นอย่างนี้แล้วแล้วถ้าใจมีความสงบจากการได้นั่งสมาธิแล้วก็จะสามารถฝืนความอยากได้ทุกชนิดนี่แหละคือทำต่างๆที่จะเกิดตามมาหลังจากที่ได้สติแล้ว ในสติแล้วก็จะได้สมาธิได้สมาธิก็จะได้อุเบกขาได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงเมื่อได้สมาธิแล้วก็จ ะ, จะเจริญปัญญาได้ใช้ปัญญามาในการตัดตัณหาความอยากต่างๆได้พอตัดตัณหาความอยากต่างๆได้วิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมา วิมุตติก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการละความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์นั่นเองความทุกข์เกิดจากความอยากความทุกข์หายไปก็เพราะว่าความอยากหายไปนั่นเองเหมือนกับไฟถ้าเชือ้อเชื้อไฟหมดไฟก็จะหายไปไฟเกิดขึ้นมาได้เพราะมีเชื้อไฟเช่นน้ํามันหรือฟืนถ้ามีฟืนหรือมีน้ํามัน ก็จะมีไฟลุกได้แต่ถ้าไม่มีปืนไม่มีน้ำมันแล้วไฟก็จะลุกขึ้นมาไม่ได้ชันใดความทุกข์ของใจก็เช่นเดียวกันความทุกข์ของใจก็เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆนั่นเองเช่นกามะตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากให้ได้อย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ และความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้เป็นอย่างนี้ถ้ามีตัณหาทั้งสามรูปแบบนี้อยู่ภายในใจแล้วใจก็จะต้องมีความทุกข์อย่างแน่นอนแต่ถ้ามีสมาธิและมีปัญญาแล้วความทุกข์เหล่านี้จะหายไปเพราะตัณหาความอยากจะได้รับการกำจัดด้วยสมาธิและปัญญานี้เองนี่คือ ความเพียนที่ผู้ปฏิบัติควรที่จะเจริญให้มากเพียงเจริญสติก่อนที่จะเพียนเจริญสติก็เพียนรักษาศีนศีนก็คือทำที่ผู้ปฏิบัติควรจะบำเพ็ญต้องรักษาศีนถ้าสำหรับผู้ปฏิบัติก็ต้องศีลแปดขึ้นไปถ้าผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติแ็เริ่มต้นที่ศีลห้าไปก่อน เพราะการรักษาศีลจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายไปกับการกระทําที่ไม่ถูกต้องนั่นเองการทําบาปนี้จะทําให้ใจทุกข์ทำให้ใจวุ่นวายขึ้นมาผู้ที่ต้องการดับความทุกข์ความวุ่นวายใจจึงต้องดับการกระทําบาปต่างๆตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปจนถึงศีลแปดศีลสิบศีลสองอยี่สิบตามลำดับตามภาวะของผู้ปฏิบัติ พอมีศีลแล้วก็ให้เจริญสมาธิด้วยการเจริญสติพอเจริญสมาธิได้แล้วก็จะสามารถเจริญปัญญาได้ต่อไปพอมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาก็จะสามารถทำลายตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปได้ก็จะได้วิมุติขึ้นมาได้หลุดพ้นจากความทุกข์พอได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็จะเกิดญาณนะ วิมุตติยานะทัชนะขึ้นมาคือการรู้ว่าตนเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วเหมือนกับคนที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วพอหมอให้ยามารับประทานรับประทานไปตามหมอสั่งแล้ววันหนึ่งความโรคภัยไข้เจ็บที่เคยมีอยู่ในตัวก็จะหายไปหมดพอโรคภัยไข้เจ็บหายไป คนไข้ก็จะรู้ตัวขึ้นมาเลยว่าอ๋อตอนนี้ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วฉันได้วิมุตติยาณทัศนะก็ฉันนั้นผู้เวลาที่ได้ทําลายตันหาความอยากหมดไปแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปพอความทุกข์ต่างๆหายไปหมดแล้วผู้ปฏิบัติก็จะรู้ขึ้นมาเองว่าได้ดุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วนี่เรียกว่าสันทิิโก นี่แหะผู้ปฏิบัติเพิ่งรู้ได้ด้วยตนเองรู้ได้ด้วยวิบุติญาะณะทัศนะนี้เองนี่คือทำสิบประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติมันจเจริญกันให้มากมันจะเจริญให้เต็มที่เพราะถ้ามีทำทั้งสิบประการนี้แล้วการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด จะตามมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดธรรมนี้เป็นอากาลิโกจันเรกธรรมทั้งสิบประกาศนี้ไม่มีฉลากติดเขียนไว้ว่าจะหมดอายุภายในวันนั้นหรือวันนี้เป็นอากาลิโกไม่เสื่อมไปตามการตามเวลามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างไรในสมัยพระพุทธการในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ก็จะมีประสิทธภาพประสิทธิผลในทุกยุคทุกสมัยเช่นในสมัยนี้ผู้ใดได้เจริญสันเลขาธรรมทั้งสิประการนี้แล้วย่อมได้หลุดพ้นจากวิมุติจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นอนไม่ว่าจะ เ, เป็นเพศใดก็ตามจะเป็นผู้คองเรือนหรือจะเป็นเป็นบรรพชิตนักบวชนะเพศไม่ใช่เป็นตัวที่จะมาบ่งบอกว่า จะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นทำทั้งสิประการนี้ต่างหากที่จะเป็นผู้บ่งบอกถ้ามีทำทั้งสิประการนี้แล้วหลุดพน้นได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนไม่สำคัญเพศไม่สำคัญสถานภาพต่างๆไม่สำคัญสำคัญที่คุณธรรมทั้งสิประการนี้ถ้ามีคุณธรรมทั้งสิประการนี้แล้ว การหลุดพ้นนี้จะต้องเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนเหมือนกับชาวนาชาวไร่ที่ปลูกพืชต่างๆเมื่อปลูกมันไปแล้วไม่ว่าจะไปปลูกที่ไหนพืชเหล่านั้นก็จะต้องเจริญงอกงามขึ้นมาออกดอกออกผลอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นใครเอาไปปลูกก็ตามจะเป็นผู้หญิงเอาไปปลูกเป็นผู้ชายเอาไปปลูกผลมันก็จะออกมาเหมือนกันถ้าปลูกข้าวมันก็จะได้ มเมล็ดข้าวออาถ้าปลูกส้มก็จะได้ผลส้มอยู่ที่การปลูกไม่ได้อยู่ที่ผู้ปลูกว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ฉั้นใดการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยแต่อยู่ที่คุณธรรมศีลประการที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้ผู้ปฏิบัตินําเอาไปปฏิบัติ เป็นเหมือนกับมอบมเมล็ดพืชพันธุ์พืชให้ไปปลูกนั่นเองพระพุทธเจ้าส่งมอบมเมล็ดพันธุ์พืชของวิมุตติของพระนิพพานให้แก่พุทธศาสนิกชนให้นำเอาไปปลูกกันเอาสันเลกระทำทั้งสิประการ น, นี้ไปปลูกกันไปเจริญกันถ้าเจริญแล้วไปปลูกแล้วมรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเอาไปปลูกในยุคใดสมัยใดในอยู่ที่สถานที่ใดเมืองใดไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดถ้ามีสันเลกระททั้งสิบประการนี้แล้วมรรคผลนิพพานย่อมเป็นสิ่งที่จะตามมาอย่างแน่นอนอยึงขอให้พวกเราอย่าไปลังเลสงสัยอย่าไปวิตกกังวลว่าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วจะสามารถปฏิบัติให้หลุดพ้นได้หรือไม่ พราะผู้ที่ปฏิบัติที่ได้หลุดพ้นแล้วยังมีอยู่แม้แต่ในปัจจุบันนี้เอกูบาอาจารย์ต่างๆที่เรากราบไหว้ี้ท่านก็หลุดพ้นในยุคปัจจุบันนี้เองในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆสาบใดผู้ถ้ามีผู้ปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมอยู่าอพราะอรหันต์จะไม่ปรจะไม่ จะไม่มีหมดไปจากโลกนี้นี่คําพูดที่หลวงตามักจะพูดถ้ามีผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมอยู่พระอระหันนี้จะไม่มีจะไม่หมดไปจากโลกนี้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือผู้ปฏิบัติสัจเลยการทำทั้งสิทธิปการนี้เองถ้าท่านทั้งหลายอยากที่จะได้บรรลุเป็นพระอรหันอยากได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ก็ขอให้ท่านจงนําเอาสำเลยกระทําทั้งสิบประการที่ได้แสดงไว้ในวันนี้ให้นําเอาไปปฏิบัติอย่างเข้มข้นเถิดรับรองได้ว่าผลที่ท่านปรารถนาจะตามมาจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวะหาปุราปาริปุรนติสาครลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกับปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสนิจจโตสัพเพปุรนตุจังกะปาจันททปนาวะโสยะถามณีโชติ อาระโยะถาสภีติโยวิวัชานตุสัพโรโควินัสตุมาเตปวันตาาโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาทนศีลิสะนิจังวุธาปจายโนจัตตารธรรมาวะทานติอายุวันโอสุขังภาลาง ช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมกันถ้าท่านใดมีความอยากจะถามปัญหาธรรมก็ขอเชิญถามได้ครับก็ขออนุญาตเรียนถามปัญหาธรรมพระอาจาร์นะครับผมก็ขอถามสามข้อครับก็ข้อแรกครับคือการนักสมาธิของผมครับคือคือ มันควบคุมไม่ได้ว่าจะให้สงบไม่สงบครับคือบางทีนั่งก็ไม่สงบก็คือพุทโธไปแล้วก็เกิดความฟุ้งซ่านหรือไม่ก็หลับะครับแต่บางทีเราไม่ตั้งใจคือเราสบายๆเรานั่งพุทโธไปมันก็เกิดความสงบขึ้นเองครับคือคือเกิดเกิดควาสบแล้วคราวนี้ผมจะสอบถามว่าบางคนเขาบอกว่าสามารถนั่งให้สงบเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยคือทำอยังไงให้เป็นอย่างนั้ น, นครับก็สติต้องมีกําลังมากแนละมีอยู่ตลอดเวลา เหมือนกับน้ำมันรดนะ่ยถ้ามีน้ำมันอยู่ในถังตลอดเวลามันก็วิ่งได้ตลอดเวลาถ้ามันมีแบบมีบ้างไม่มีบ้างเวลา <im đây> มีมันก็วิ่งได้เวลาน้ำมันหมดมันก็ไม่วิ่งฉะนั้นถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิดได้ตลอดเวลาตามที่เราต้องการเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา <im itation> ผลที่เหตุผลที่เรานั่งได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะสติของเรา Daddy ยังรุ่มๆุ่มดอนๆอยู่ บางช่วงก็มีมากบางช่วงก็มีน้อยช่วงที่มีมากนั่งแล้วมันก็สงบง่ายสงบได้ช่วงที่มีสติน้อยมันก็สงบไม่ได้แสดงว่าการเจริญสติของเรายังไม่สม่ำเสมอยังไม่ต่อเนื่องเราต้องหมั่นเจริญสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทุกเวลานาทีของการตื่นของร่างกาย พอตื่ขึ้นมานี้ต้องเาริญสติและะ้วสติต้องตอบเนื่องด้วยถ้ายังไม่ต่อเนื่องนี้มันก็จะได้บ้างไม่ได้บ้างเวลามานั่งสมาธิครับขออนุญาตเรียนถามข้อที่สองครับอาจารย์คือเวลาเข้าสมาธิครับอย่างเช่นอเรานั่งพุโทโธไปครับแล้วเ ร, เรารู้จะรู้ตลอดครับว่าเราเบื่อพุโทโธคือจิตมันหน่ายพุโทโธเองก็จะเลิกไปเองครับ แล้วก็เราก็ดูตามาลมหายใจไปครับดูแล้วมันหลมหายใจมันก็หายไปเองคือค่อยๆค่อยๆนิ่งไปแบบว่ามันเรียบไปครับเรียบจนไม่มีแล้วครับเรารู้ทุกอย่างรู้อาการทุกอาการเลยครับพอรู้เสร็จเนี่ยเรามารู้อยู่อยู่ที่จิตว่างเปล่านี่ครับเราก็การู้ตามรู้ตลอดเนี่ยครับแต่บางคนบมกเป็นสนทนาธรรมด้วยเขาบอกว่าถ้าจิตสมาธิมันต้องไม่รู้คือต้องเป็นเหมือนพวังคือไม่รู้อะไรเล ย, เลยนะครับผมไม่รู้ว่าไหนมันถูกครับคือการที่เรารู้กับการที่เราไม่รู้อครับอ๋อต้องรู้ สมาธินี้ต้องเข้าถึงตัวรู้คือสักแต่ว่ารู้ไม่มีอะไรให้เหลือให้รู้อยู่นอกจากความว่างถ้าไม่รู้ก็แสดงว่าหลับอ๋อแสดงว่าผกที่ผมรู้ก็คือว่าถูกถู ก, ถกใช่ไหมอเองแต่ว่ามันยังอาจจะไม่สงบเต็มที่มันยังมีความคิดตรงแต่งลึกๆอยู่ที่เรายังไม่สามารถหยุดมันได้ถ้าหยุดมันได้แล้วมันจะว่างไปหมดมันจะเบาจะสบายจะมีความสุข จะเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งอาจารครับแล้วตอนที่ผมบวชเป็นพระแล้วคนนี้ผมคือเมื่อก่อนไม่เคยเกิดอาการนี้คือจิตคือพอเราตั้งพุโทโธไว้ที่หน้าผากครับมันก็จะมีตุ๊บตุ๊บุ๊ขึ้นที่หน้าผาตอนที่เริ่มพวงหาพุโทโธหรือว่าไว้ที่หูเงี้ยครับที่หูมันก็จะมีเหมือนกับมีชิบะจร อ, อยู่ครับเราจะมีแบบเป็นจิตแบบเหมือนก้าวไปเป็นเหมือนกับชิบะจรขึ้นที่ข้อมือครับ แล้วคนนี้อาการของมันคือหลังจากที่ออกสมาธิครับหูมันจะได้ยินทุกอย่างเลยแบอกเขาว่าเสียงหายใจเราหัวใจเราเต้นเงนี้ยก็เสียงแบบดังมากที่หูเราครับ mm hmm. หรือว่าคนข้างนอกเขาเดินอยู่นอกนอกบ้านเนี่ยครับเสียงมันมากระทบแบบแบบแสบหูเลยครับหรือเขาพูดอะไรเราได้ยินแบบแต่ไกลเลยครับหรือว่าเรามาตั้งที่ตรงหน้าผาเนี่ยมันก็เป็นแบบเหมือนกับชีปพจรย์ขึ้นที่หน้าผาเราอะครับผมไม่รู้ว่ามันคืออาการอะไรแต่ว่าคือ คำถามพระที่บวชในการเขบอกมันคือสติไม่รู้มันถูกหรือเปล่าครับก็การรับรู้ของจิตที่มีความรวดเร็วขึ้นสามารถรับรู้อะไรต่างๆได้ได้ดีกว่าปกติแต่มันก็ไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการผลที่เราต้องการก็คือให้เรารู้ใจของเรามากกว่าไปรู้เรื่องราวของผู้อื่นให้รู้ความทุกข์ให้รู้ความอยากของเรา ว่าเป็นผู้ผลิตความทุกข์ขึ้นมาจะดีกว่าเรื่องของผู้อื่นนี้เราไม่ควรที่ไปสนใจควรที่จะน้อมจิตกลับมาที่จิตกลับมาที่ตัวรู้กลับมาดูที่ตัวรู้ว่ากำลังผลิตความอยากเพื่อสร้างความทุกข์ให้กับเราหรือไม่ถ้ามันผลิตความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญาหยุดมันพิจารณาสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่ามันไม่เที่ยง ได้อะไรมาแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปเวลามันจากไปความสุขที่ได้จากสิ่งที่เราสูญเสียไปมันก็จะหมดไปเมื่อมันหมดไปความทุกข์ก็จะมาแทนที่ให้รู้แบบนี้ดีกว่าเป็นประโยชน์กว่าอาจารย์คาราอย่างถ้าเกิดเราผมแค่พุดโทที่ที่ตรงหน้าผากเนี่ยแล้วมันมันเกิดขึ้นเลยอะครับอนนี้ผมเอาจิตมาวานตรงนั้นได้ไหครับ ความจริงเวลาบริกรรมพุทโธไม่ควรจะไปวางไว้ที่ตรงไหนควรจะอยู่ที่คำบริกรรมเพียงอย่างเดียวอยู่ที่ำํำความปรุงแต่งอยู่ที่ตัวสังขารที่กำลังบริกรรมพุทโธพุทโธนี้อยู่อย่าไปตั้งไว้ที่หน้าผากหรือที่กลาง อ, อกหรือที่ไหนมันจะทำให้จิตเป็นสองไปมันจะทำให้จิตไม่สงบให้มันอยู่จุดเดียวอยู่ที่เกิดขึ้นของคาบริกรรม จุดที่เกิดของคําบริกรรมก็คือคําบริกรรมนั่นแหละมันเกิดตรงนั้นเราก็อยู่กับมันตรงนั้นอยู่กับคําบริกรรมไปเพียงอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่เรากําลังบริกรรมอยู่ครับเราผมจะม า, าม า, าวิปัสนาได้เมื่อไหร่อ่ะครับคือต้องทำยังไงต่อจะ้ะ อ, อ๋อวิปัสสนาก็คือเวลาที่เราได้สมาธิแล้วจิตเรามี อุเบกขาแล้วมีความสุขในตัวเองแล้วไม่หิวไม่อยากกับสิ่งต่างๆแล้วพอเกิดตัณหาความอยากออกมาหลอกมาล่อให้เราไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องเจริญวิปัสสนาก็พิจารณาตายรลังนี้เองพิจารณาสิ่งที่ความอยากอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราเป็นของเราเพียงชั่วคราว ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปต้องจากเราไปเวลาจากเราไปความสุขที่ได้ก็จะหายไปความทุกข์ก็จะเป็นตัวกับปรากฏขึ้นมาถ้าไม่อยากจะพบกับความทุกข์ก็อย่าไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ก็กคืออย่าไปทำตามความอยาก น, นี่เรียกวิวปัสสนาเป้าหมายคือสอนใจไม่ให้ไปทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากเป็นการเดินเข้าหาความทุกข์ ไม่ใช่เดินเข้าหาความสุขอขอบคุณครับอาจารย์ครับหลวงพอ่อ s o uh, m advice I w a t to y o when I do the meditation right at times I see the ring of lights which will travel away from me like traveling in the tunnel you know the light will just move on circle by circle and getting smaller and smaller And sometimes the lights is reverse na. The small light, small circle, come close to me and become very big. Mm -hmm. And it just like traveling in the tunnel with the light. You can see the light moving away, and sometimes moving towards me. Mm -hmm. When you meditate, you your goal is not to to see light or see anything. The goal of meditation is for your mind to become calm and peaceful, to stop thinking. So whatever happens when you meditate, you should ignore them. Don't pay attention to them. Concentrate on your meditation subject. Should I be seeing something like dark or blank? Well, when you close your eye, it might seem dark. But when you when you sleep, you also close your eyes. And when you dream, you seem to be seeing things, yes. right? So it's not really dark in the mind. It's only dark in the eyes, yeah. but when y o u mind, when you when you meditate, your mind can become bright, like uh, like the like when you open your eyes. But the point is not to worry about what what you see or what you don't see. The the goal is to stop your mind from generating thoughts, yeah. stop thinking, and become peaceful, calm, and happy. So, in in order to for you to reach that goal, you have to focus on your medita meditation subject only. If you use mindfulness of breathing, you should only focus your mind on your breathing and not pay attention to anything that might appear while you're doing it. I have been using the method of counting the the breathing method. From each breath, I count one to ten. Then I count back 10 to one, and I go on like this one t one to ten 10, 10 to one. Then I go into a meditation state, which uh, okay, it's real calm. But uh, I don't know whether I'm sleeping or I'm doing meditation. But I'm sitting right there, fully alert. But when I stop the meditation, I'm very alert. So I, I have doubt whether I am really sleeping or I am doing really the meditation. Maybe you are about half asleep, <laughs> so you have to uh, strengthen your mindfulness. You should strengthen it while you, when you r e not meditating. You can do it any other time, like from the time you get up to the time you go to sleep. You should try to develop or maintain mindfulness at all times. Mindfulness is to be with one object. You can use the mantra b u d h o b u t t o or counting, if you like, or concentrate, focus on your body movement, your body activity. Mm. Whatever you do, just focus on that activity only. Don't let your mind go think about other things. Then you will have strong mindfulness. So when you sit in meditation, you will be constantly alert. You will not feel half asleep. They, when you feel half asleep, that means your mindfulness, mind, mindfulness is still weak. It cannot maintain this alertness all the time. So you have to develop more mindfulness before you meditate. At times, I use uh, uh, an object, uh, a glass Buddha, which I you know using like kasin light, l i k e kasin. Ah uh ha, -huh. kasina, uh, kasinaya, kasina. Using uh, the light kase na, I was be able to focus on that image, maybe for about 50 minutes, and then the the image just get lost, and then it go e somewhere, and then I see again like balls of light start moving around, you know, mm -hmm. in my mind moving multiples. You should stop, bring your mind back to the image that you use for your concentration. then it's difficult come back again. You can. If you have strong mindfulness, you mm -hmm. can you can bring it back. Yeah. Because when you lose it, you might start to Banger. wander and create all these other things, see, which is not what you want. You want the mind to stop creating everything. You want the mind to be peaceful and calm. Because when you are peaceful and calm, you are happy. And when you are happy, you can give up everything. That you rely on to make you happy, because everything that you rely on eventually will have to uh, disappear from you, separate from you. When they have, when that happen, it will make you unhappy. So if you have this inner happiness, then you can give up everything that you rely on to make you happy. So then you will not be unhappy when you don't have anything to rely on. Because you have this inner happiness to rely, rely, rely on instead of the other things. That's the goal. That's the next step we call vipassana. Once you have the inner happiness, you can teach your mind to let go of the external happiness because the external happiness is temporary, impermanent, anicca. Once it's anicca, it is dukkha, because when it disappear. s It will make you feel sad. Mm. But if you don't have to rely on these things, then if they disappear or they don't disappear, it will not matter to you. It will not bother you. So that's the goal of practice: first to develop the inner happiness from samadhi. Once you have this inner happiness, then you can teach your mind to let go of the external happiness. So actually, there was the next question I a n t ask you: where should I practice? s a m a d h i or v i pass a n a first. Uh, mm. One after another o l together. You need you need samadhi first. You have to have inner peace, inner happiness first. Then you can then teach your mind to see that everything else is uh, dukkha. Everything mm. is suffering because they are impermanent. They are temporary. Mm. When they leave you, they make you sad. If you don't want to be sad, you must not rely on them. As your source of happiness. Anything else? That's i l l No, k a y Maybe next time. Okay. Okay. t e a c h I n t to s k o t t i f e t h a t m e i t a t o n a i n e t h a t k a y Okay. Okay. Okay. Okay. o k เ y o k อ ความสุขแบบปิตินี้มันเป็นความสุขที่มันมันไม่นานมันชั่วคราวแต่ความสุขที่อุเบกขานี่มันจะอยู่ไปตลอดตราบใดที่ใจสงบมันก็จะมีความสุขนี้ตลอดเวลามายก็คือความความนิ่งความว่างปล่อยวางมากกว่าใช่ไหมครับอาจารย์ก็เวลานั้นมันก็ปล่อยวางทุกอย่างครับมันปล่อยวางร่างกายปล่อยวางรูปเสียงกลภภิ่นรดผลทพะ มันหยุดความอยากต่างๆได้หมดในขณะนั้นแต่พอมันออกมาปั๊บมันความอยากต่างๆเหล่านี้มันยังไม่ตายเพราะว่ามันสมาธิไม่มีความสามารถที่จะทำลายความอยากได้อย่างถาวรเหมือนหินที่ทับหญ้าหินนี่ไม่สามารถทำลายหญ้าได้เพียงแต่กันไม่ให้หญ่างอกขึ้นมาได้แต่เวลายกหินออกขึ้นมาเดี๋ยวย่ามันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ ถ้าอยากจะให้ญอานิจตายอย่างถาวรก็ต้องถอนมันออกมาจากดินถอนรากถอนโคนมันผู้ที่จะสามารถถอนรากถอนโคนของตัณหาความอยากได้ก็คือปัญญาเพราะรากโคนของตัณหาก็คือความหลงนั่นเองความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นสุขแต่ปัญญาจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไป ทุกขว่ามันไม่ใช่เป็นของเรามันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดเวลามันอยู่กับเราก็เป็นความสุขเวลามันจากเราไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือวิปัสสนาปัญญาถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปใจก็จะไม่อยากได้อะไรพอไม่อยากได้อะไรก็จะไม่มีความทุกข์ตาม พราจารยับแลอย่างนี่ก็บอกว่าการเข้าถึงสมาธิมันเกิดวิตกวิจารปิติสุขนะสุขความหมายนี่คือสุขจากอุเบกขาไม่ใช่สุขจากการปิดเกิดปิติสุขที่เกิดจากปิติมันเกิดพร้อมกันปิติก็สุขเหมือนปา่าพร้อมกันขอนต้นมันจะวิตกวิจารเวลาดูลมหรือเวลาพุโทโธนี่เรียกว่าวิตกวิจารพอดูไปอย่างต่อเ น, นื่องสักพักมันก็จะเกิดปิติเกิดสุขขึ้นมาแล้วต่อไปมันก็จะหายไปเหนือแต่อุเบกขา นี่อุเบกขานี้ท่านก็ไม่ได้พูดถึงความสุขที่ิจากอุเบกขาท่านเพียงแต่บอกอุเบกขาแต่ผู้ปฏิบัติพอในอุเบกขาก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คือความสุขที่เรียกว่านัตติสัมติปรังสุขขังความสุขที่เกิดจากความสงบอาจารย์ครับแล้วอย่างคือเรานั่งครั้งแรกครับที่เราไม่เคยเกิดความสุขมาก่อนเลยมันเกิดมันรู้สึก ร, รู้สึกถึงความสุขอะครับแต่ถ้าเรานั่งไปเรื่อยๆแล้วจนเราเข้าไปบ่อยๆแล้วเนี่ยครับ มันไม่มีความสุขแต่มันเข้าเบีขาเลยมันมันถูกไหมครับได้มันเข้าไปอย่างรวดเลยมันมันถ้ามันชํานาญแล้วมันก็ปุ๊บเดียวเข้าไปเลยคือคือรแรกผมน่ามันมีความสุขแต่คราวนี้มันไม่มีสุขแต่มันเข้าเบีขาเลยอะครับก็ดีก็ใช้ได้คือไม่เราเราเราเลยขั้นตอนได้ใช่ไหมยังไม่ต้องต้องไปตามสเต็ปแล้วแต่จิตถ้าจิตมันชํานาญมันก็จะพุทธเข้าไปที่จุดหมายปลายทางของมันเลย อ๋อคือเราไม่ต้องผ่านเสกสุกก็ได้เราก็เพียงแต่แล้วก็กําหนดจิตเท่านั้นเองผมก็เลยสงสัยว่าเมื่อก่อนมันมีทั้งอาการของไอปิติก็คือมีน้ําน้ําน้ําตาไหลหรือว่าตัวขยายอย่างนี้ไม่มีมันไม่มีแล้วอะครับแต่มันเข้าอุเบกขาเลยอไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่สําคัญอ๋อไม่สําคัญครับไม่สําคัญเหมือนขับรถอะไม่ต้องเข้าหนึ่งสองสามว่ได้เข้าเกียร์สี่ไปเลยถ้ามันวิ่งได้ก็ไปเลยคือไม่ได้ผิดนะครับผมผมเข้าใจว่าแบบ เราเราผิดหรือเปล่าว่าไม่เราไม่มีขั้นตอนนั้ น, น, นอีกแล้วครับไม่ไม่ผิดแล้วถ้าได้อุเบกานี่ถูกแล้วต้องการอุเบกขาเท่านั้นเอคคคคงครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับไปถึงอุเบกขาไม่มีปิติเลยสักครั้งนึ่งก็ได้ใช่ไมับได้ได้มันเป็นเรื่องของคําศัพท์เฉยๆคะ่ะคําว่าเจริญสติกับคําว่าพลังจิต อันนี้เป็นคําเดียวกันหรือเปล่าคะไม่ไม่คําเดียวกันละสติเป็นตัวที่ทําให้จิตตั้งมั่นให้ไม่ลอยไปลอยมากับอารมณ์ต่างๆเรียกว่าสติเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธไบนี้เรียกว่าจริญสติส่วนพลังจิตก็คือผลที่ได้รับจากการมีสตินี่เองพอจิตมีสติจิตก็จะตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตก็จะเป็นพลังของจิตจะไม่โลเล่ไหลไปตามกระแสของความโลภความโกรธความหลง ทำให้ตั้งมั่นได้ดีขึ้นอให้ตั้งมั่นให้ดีขึ้นทําให้จิตสงบแล้วก็ถ้าเป็นวาสนาก็จะมีความสามารถพิเศษต่างๆเกิดขึ้นมาได้เช่นมีตาที่ผูทิพย์มีความสามารถพิเศษที่เรียกว่าพลังจิตนี้เกิดขึ้นได้แต่คนสามารถที่จะไปไกลมีวิปัสสนาโดยไม่ต้องผ่านหูทิพย์ตาทิพย์อะไรอย่างนี้มีไนะคะได้ไม่ต้องใช้หูทิพย์ตาเทิพนี้เป็นของแถม เหมเราไปเติมน้ํามันรถเนีระเปาแถมผ้าเช็ดผ้าเช็ดหน้าหรือขนมหรืออะไรนี้เราไม่ได้ไปหวังของเหล่านี้เราไปต้องการที่จะไปเติมน้ํามันรถการภาวนา น, นี้ก็เพื่อต้องการทําให้ใจสงบเป็นอุบเบกขาส่วนจะมีตาทิพผู้ทิพย์หรือไม่นี้ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะทุกคนก็ไม่ได้ได้ไ ม, ไม่ไม่ได้ผลเหล่านี้ผู้ที่ได้ตาทิพผู้ทิพย์นี้เป็นบุคคลพิเศษมีความสามารถพิเศษซึ่งมีจํานวนน้อยมาก ไม่ไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้และดีไม่ดีถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยสอนก็อาจจะหลงได้หลงไปติดอยู่กับผู้ทิพตาทิแทน mm hmm. ก็จะไม่หลุดพ้นเพราะผูทิพตาทินี้แท่านเรียกว่าโลกิยะวิชาวิชาที่ยังทำให้ติดอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่โลกุตละวิชา โลกุตละวิชานี้เป็นวิชาที่จะทําทให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ซึ่งจะเกิดจากใจที่มีอุเบกขากรเมื่อ ใ, ใจมีอุเบกขาก็สามารถเจริญปัญญาได้ปัญญานี่แหละเป็นโลกุตละวิชาที่จะทําทให้ผู้มีปัญญาเห็นทุกข์ของในสิ่งของสปปรรพสิ่งทั้งหลายปล่อยวางสปปรรพสิ่งทั้งหลายหยุดความอยากในสปปรรพสิ่งทั้งหลายได้พอไม่มีความอยากความทุกข์ทั้งหลายก็จะหมดไป ไม่ได้หมดไปเพราะหูทิพตาทิพม์คำถามจากคุณสุขขีระหว่างการกระทำที่เต็มใจทำกับการกระทำที่ถูกบังคับให้ทำสองอย่างนี้อย่างไหนจะสำลิดผลมากกว่ากันเหมือนงานที่เราเต็มใจทำกับงานที่เราโดนบังคับให้ทำอย่างไหนจะให้ผลสำเร็จมากกว่ากันคะ ถ้าทำด้วยความเต็มใจมันก็จะง่ายกว่าทำด้วยความจำใจแต่ถ้ามันไม่เต็มใจบางทีก็ต้องจำใจต้องบังคับให้มันทำถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีก็ต้องบังคับมันเช่นการปฏิบัติธรรมของพวกเรานี้ส่วนใหญ่มันต้องบังคับมันหนึ่งจะทานอกจากคนที่ได้รับผลแล้วถ้าได้รับผลได้ความสงบแล้วนี้มันไม่จาใจแล้วมันจะเต็มใจทามันจะเกิดอิทธิบาสีขึ้นมาคือฉันทะ ความยินดีความชอบที่จะทําพอมีความชอบก็จะมีวิริยะความหม่อนเพียนมีจิตตะใจจดจ่ออยู่กับการกระทําวิมังสาใจจะคิดแต่เรื่องการปฏิบัติการกระทําอย่างเดียวเนี่ยแต่ก่อนที่จะเกิดความยินดีขึ้นมาได้มันต้องเกิดผลขึ้นมาก่อนเกิดผลที่เกิดจากการปฏิบัติและก่อนที่จะเกิดผลจากการปฏิบัติได้ก็ต้องบังคับมันให้มันทําำ ถ้าไม่บังคับมันมันไม่ยอมนั่งสมาธิอย่างอาตมาเนี่ยตอนที่เริ่มใหม่ๆก็ศึกษาอ่านหนังสือเกี่ยววิธีนั่งสมาธิอยู่ต้องสองสามเดือนเนาะยังไม่ได้นั่งสักครั้งเลยแล้วอยู่วันดีๆวันนึงก็ถามให้มึงเมื่อไหร่จะนั่งเหรอเนี่ยก็เลยนั่งมันเดี๋ยวนั่นเลยอพอนั่งปั๊บเดี๋ยวเดียวมันก็ได้ผลเนี่ยบางทีมันจิตมันกิเลสมันคอยเกิดคอยกันเรามันไม่ยับมันไม่ชอบให้เรานั่ง พอเวลานั่งแล้วเราสงบกิเลสมันเหมือนกับถูกจับเข้าขังในกรงไงมันถึงไม่ชอบกิเลสมันชอบออกมาเพ่นพ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายพอบังคับให้พอจะให้มันเข้ากรงมันเลยไม่ยอมเข้าเหมือนจับหมาแล้วจับลิงเข้ากรงเนี่ยยงลองไปเชิญมันเข้าไปดีๆมันไม่เข้าหรอกต้องลากมันหรือต้องมีไม้คอยไล่ตีมันมันถึงจะเข้าไปจิตของพวกเราก็เหมือนกันเนีมันต้องมีการบังคับ สิ่งที่จะมังเข้าให้จิตเราเข้าไปก็คือให้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆคิดถึงความทุกข์ที่จะตามมาอยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้เราต้องรีบขวนขวายแล้วต้องรีบทำแล้วรีบเข้ากรงแล้วรีบเข้าสู่ความสงบเพราะกรงนี้มันปลอดภัยเอาเข้าไปอยู่ในกรงแล้วมันปลอดภัยแต่ความหลงมันกลับทำให้เราเห็นผิดเป็นชอบไปคิดว่าอยู่นอกกรงสนุกกว่าแต่ความจริงอยู่นอกกรงนี่มันอันตราย มันมีแต่ความทุกรอบด้านพอเข้าไปอยู่ในกรงแล้วจะเข้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยจึงต้องอาศัยคนที่เข้ากรงไปแล้วมาคอยสอนคอยบอกอยังไม่ยอมเชื่อกันคำถามจากผู้ฝากถามถ้าเราไปวัดทำสังฆทานแต่สังฆทานในวัดเป็นสังฆทานเวียนจะได้บุญหรือไม่คะ๋อบุญส่วนของเราได้เต็มที่ยู่แนละ้วบุญคือการเสียสละ่ย ที่เรามีแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นอันนี้เราได้เต็มที่แล้วจะให้กับใครก็ได้เหมือนกันให้กับพระให้กับโยมให้กับสัตว์เดรัจฉานก็ได้เหมือนกันบุญนี้คือความสุขใจอันนี้ได้อยู่มันได้อยู่ที่ผู้รับอยู่ที่ผู้ให้แต่ต้องให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจถึงจะได้เต็มที่คือไม่ต้องการผลตอบแทนไม่มีเงื่อนไขในการให้ไม่ใช่ให้แล้วเธอต้องขอบใจฉันเธอจะต้องทําอย่างนั่นอย่างนี้ให้ฉัน แต่อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นบุญนะเรียกว่าเป็นการซื้อขายเป็นการแลกเปลี่ยนเหมือนกับเราไปซื้อของที่ร้านเราก็ให้เงินเขาใช่ไหมแต่เขาต้องให้ของเราเราถึงจะ้เงินเขาอย่างนี้เราก็ไม่มีความสุขใจจากการให้แต่ถ้าเราไปที่ร้านแนละ้วเราให้เงินเขาแล้วบอกไม่เอาของไม่เอาอยากจะให้เงินเธอเฉยๆอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้เราก็จะได้ความสุขใจได้บุญบุญเท่ากันคบุญที่ให้เท่ากัน อยู่ที่ว่าไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าเราต้องการผลตอบแทนหรือไม่ถ้าต้องการผลแทนผลตอบแทนแม้แต่นิดเดียวมันก็จะน้อยลงไปแนละ้วแต่มก็ะจะเคยได้ยินคําสั่งสอนว่าต้องเลือกผู้ที่เราจะให้นะผูที่เราจะให้ถ้าเป็นพระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์ก็จะได้บุญมากกว่าอย่างนี้อันนี้เป็นคําพูดที่ถูกต้องไหมคะนั่นเป็นบุญเอ ก, อ, กอีกกระทงหนึ่งคนละกระทงกัน บุญที่อาตมาพูดตรงนี้คือบุญที่ได้รับจากการเสียสละแบ่งปันส่วนประโยชน์ของผู้ที่รับนี้ก็จะไปทําอะไรนี้อยู่ที่คนที่ให้ให้คนกินเหล้าเขาก็จะไปซื้อเหล้ากินให้คนไปเรียนหนังสือเขาก็จะไปศึกษาหาความรู้มันก็ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็ต่างกันกันกบบุคคลที่เราให้และอีกอย่างหนึง่งประโยชน์ที่เขาจะให้กับเราก็ต่างกันเหมือนกันเพราะถ้าเราไป ให้เงินกับคนกินเหล้าเขาก็จะพูดเรื่องกินเหล้าให้เราฟังชวนเราไปกินเหล้าแต่ถ้าเราไปทำบุญทาบุญกับพระท่านก็จะชวนจะสอนเราเรื่องธรรมสอนให้เราปฏิบัติธรรมรักษาศีลอันนี้ก็เป็นบุญอีกแบบหนึ่งบุญที่เกิดจากการได้รับธรรมะจากผู้ที่เราให้ถ้าอย่างนี้ให้พระพุทธเจ้าก็จะได้บุญสูงสุดเพราะามีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมได้คุยกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะ มีความรู้ความสามารถมากอาจจะรู้ว่าเรากําลังติดอยู่ตรงไหนอาจจะพูดธรรมะทาให้เราหลุดพ้นได้ในตอนนั้นเลยก็ได้ท่านถึงบอกว่าถ้าได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้านี้จะได้บุญอย่างสูงสุดนี่คือบุญที่เกิดจากการได้รับพังคําสอนจากพระพุทธเจ้าคําถามจากคุณจีดาภานั่งสมาธิไม่ได้ไม่เคยได้เกินสองชั่วโมงพอเจ็บแล้วก็ขยับ ยังสอบไม่ผ่านขั้นที่หนึ่งใช่ไหมคะแล้วต้องนั่งไปแค่ไหนคะเวลาเจ็บนี้เราต้องใช้สติเพิ่มให้มากขึ้นอย่าไปส่งใจไปหาความเจ็บอย่าปล่อยให้ใจมีโอกาสคิดสร้างความอยากให้ความเจ็บหายไปเพราะมันจะทำให้เราไม่สามารถนั่งต่อไปได้วิธีที่จะผ่านความเจ็บนี้ได้ก็มีสองวิธีวิธีแรกที่ง่ายก็คือการบริกรรมพุทโธต่อไป อย่าไปสนใจกับความเจ็บบริกรรมไปอย่างเดียวให้มันขาดใจตายไปกับคาบริกรรมเลยหรือถ้าไม่ชอบบริกรรมจะจะนับหนึ่งสองสามไปก็ได้ทำอะไรก็ได้ให้ใจมันไม่มีเวลาว่างที่จะไปคิดเกิดให้เกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปเพราะถ้าเกิดมีความอยากให้ความเจ็บหายไปมันจะทนนั่งต่อไปไม่ได้ฉะั้นเราต้องใช้การบริกรรมเนี่ยพุทโธไปหรือนับหนึ่งสองสามไป หรือสวดมนต์ไปก็ได้ขอให้ทําไปแล้วอยากไปสนใจความเจ็บแล้วความเจ็บมันจะรู้สึกเบาลงไปหายจนกระทั่งมันไม่มีผลกระทบต่อจิตใจของเราความจริงมันไม่ใช่ความเจ็บที่ลดน้อยลงไปแต่ความทรม า, มานใจมันลดน้อยลงไปเพราะว่าใจไม่สามารถผลิตความอยากให้ความเจ็บหายไปได้อันนี้วิธีหนึ่งแต่เป็นวิธีที่ต้องทําซ้ําแล้วซ้ําอีกถ้าอยากจะใช้อีกวิธีหนึ่งที่ทําหนเดียวแล้วไม่ต้อง สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างถาวรก็คือต้องใช้ปัญญาต้องสอนใจว่าความเจ็บนี้ก็มันก็เป็นสิ่งปรากฏการขึ้นมาที่ใจรับรู้ถ้าใจไม่ไปรังเกียจมันไม่ไปอยากให้มันหายใจจะอยู่กับมันได้อย่างสบายที่อยู่กับมันไม่ได้เพราะไปเกลียดมันเหมือนคนเนี่ยคนไหนถ้าเราเปลียดมันนี่เราไม่อยากจะอยู่กับมันใช่อยู่แล้วรู้สึกมันทุกข์แล้วกัน แต่ถ้าคนไหน Leonard เราชอบเราอยู่กับมันได้ชอบนี่อยู่กับเขาเราก็อยู่ก so ับมันได้ตลอดเวลาแต่นายเวทนานี่ก็เหมือนกับคนที่เราต้องอยู่ด้วยถ้าเราเกลียดแล้วเราจะอยู่กับเขาไม่ได้จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่ม <GA IN> ีความเกลียดนี่เราจะอยู <alpha> ่กับเขาได้ดงนั้นเราต้องมาหยุดความเกลียดทุกขเวทนาให้ได้หยุดความเกลียดลดความปกลียุ่นมีการนิจจนนี้นิจจแล้วทุกขังเลย ที่เือเอาไปที่นี้นะคะหลวพ่อใ่วันนี้ก็ขุขกขลังนิดหน่อยเพราะมันเป็นอนิจจังคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการประชมุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิน